วันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามว่าด้วยเรื่องเทพสามคือหนึ่งสมมุติเทพคือเทวดาโดยสมมุติสองอุปติเทพเทวดาโดยกำเนิดสามวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์อันดับแรกขอให้ท่านมาเข้าใจกับคำว่าเทพเสียก่อน คำว่าเทพนี่แปลว่าผู้กระเสริฐหมายความว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าสามัญชนธรรมดาโดยธรรมชาติหรือว่าโดยคุณงามความดีอ่าเทพนี่ถ้าแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามาจากคําว่าเทวะก็เทวดา<อ>นั่นเองอเทวะแตงวะเป็นพระก็เป็นเทพเป็นเทพก็คือว่าเป็นเทวดาก็คือเป็นผู้กระเสริฐนั่นเองเป็นผู้กระเสริฐเลิศ ก, กว่าสามัญชนธรรมดา นเลิศกว่าสามัญชนธรรมดาฉะนั้นคำว่าเทพนี้ก็จึงแปลว่าผู้ประเสริฐหรือว่าเป็นผู้เลิศก็ได้นเะเทพประเภทแรกก็เรียกว่าสมมติเทพเทวดาโดยสมมติได้แก่ท่านผู้มีชาติจรกูงสูงไม่ใช่เป็นเทพโดยกำเนิดแต่อาศัยคุณความดีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสมมติให้เป็นเทพท่านยกตัวอย่างได้แก่พระราชานะ อพระราชาเทวีหรือพระราชากุมารเราพูดง่ายๆว่าพวกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อันนี้เน่ยถือว่าเป็นสมมุติเทพเนี่ยเป็นสมมุติเทพถือว่าเป็นเทพยาดาโดยสมมุติเ <c oughs> ฉะนั้นเราสังเกตดูอาเทวดาโดยสมมุตินี้คือพระราชามหากษัตริย์หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอพระบรมราชินีนาถ หรือพระเจ้าลูกเจอพระเจ้ายาเธออ่าพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ละนี่แหละถือว่าเป็นผู้ประเสริฐนะเรียกว่าผู้จเจริญโดยชาติชาติวุฒิผู้จเจริญโดยชาติใครเห็นใครก็เคารพใครเห็นใครก็ยกย่องใครเห็นใครก็กราบไหว้ลางคนนี่เรียกว่า เห็นแล้วเวลาท่านพูดด้วยท่านตรัสด้วยในพูดไม่ถูกอึกอักอึกอักเลยไม่ใช่เฉพาะประชาชนแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันบางทีจะพูดกับในหลวงพูดกับพระราชนีนี่รู้สึกว่าอึกอักซึกทักพูดไม่ออกพูดไม่ถูกบางทีก็เตรียมไว้ตั้งตั้งนา น, นเน่เตรียมไว้หลายวันว่าจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถึงเวลาจริงแล้วเปล่านไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย อันนี้ก็เคยได้เอาฟังคุณหมอท่านหนึ่งท่านเเคยเล่าไว้ว่าตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานที่ทักษิณราชนิเวศตอนเช้าท่านก็จะไปออกกำลังทุกวันเรียวว่าเดินหรือว่าจะวิ่งอะไรก็แล้วแต่ละก็ปรากฏว่ามีคนจีนคนหนึ่งก็อยากจะเข้าเฝ้า อยากจะได้อยากจะเข้าเฝ้าอยากจะขอขอเหรียญรูปในหลวงว่างั้นแทนนะขอเหรียญรูปในหลวงก็ปรากฏว่าอก็มีเจ้าหน้าที่ก็แนะนําำแนะนําให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ราชาศัพท์แต่พอปรากฏว่าคนเช้าแกเดินไปพอเห็นในหลวงผ่านมาท่านก็ลงข้างๆนะไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนะในหลวงถามว่า มาทาไมก็บอกว่าขอพระองค์หนึ่งนะบอกขอพระองค์หนึ่งคือชอบมาแทบแย่แล้วว่าจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ผลที่จบไม่ได้พูดเลยมันบอกขอพระองค์หนึ่งว่างั้นก็เลยในในหลวงก็รับสั่งให้เจ้ที่ก็ให้มอบพระให้เพวกความเป็นสิริมงคลนี่แหละจึงบอกว่าพูดมีบุญยาววาฒนาพูดมีบุญยาววาสนาถ้าเราจะพิิพิจารณาดูว่า เทพงานเทพโดยสมมุติยังกับในหลวงของเรานี้รู้สึกว่าท่านมีบุญญาบารมีมากนะไปทางไหนนี่ดูกันไม่เบื่อประชาชนชาวไทยของเรานี่ดูไม่เบื่อเนี่ยคนมีบุญญาบารมีมากทั้งๆ ท, ที่เราเห็นอาจจะเห็นทุกวันก็ไม่เบื่อก็อยากดูคนแย่งกันไปดูแย่งกันไปต้อนครับแย่งกันไปถวายพระพร แต่พวกเราซะอีกขอประธานโทษบางทีทางพระเราถึงแม้ว่าจะเป็นใหญ่ก็ไม่มีใครไปแย่งโดยอย่างนั้นืะไม่มีนี่แสดงว่าบารมีต่างกันมากนะต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงได้จัดว่าเป็นสมมุติเทพเป็นเทพพยิายดาโดยสมมตินะเป็นเทพพิาราโดยสมมติแต่การที่สองอุปปฏิเทพเทวดาโดยกาเนิดนะได้แก่เทวดา ที่ได้ประกอบคุณงามความดีไว้ะสะสมบารมีไว้ในจิตในใจสร้างคุณงามความดีไว้นำให้เกิดอุบัติขึ้นเป็นเทพพ ย, ายดาเป็นเทพพ ย, ยดาก็หมายถึงว่าได้บำเพ็ญคุณงามความดีนั่นเองในพื้นฐานก็เรียกว่ามีศีลห้านะมีศีลห้ามีฤิริความละอายแก่ใจมีโอตัปะความเกรงกลัว อ่าอย่างนี้ก็จะทำให้ไปเกิดเป็นเทวดานะเกิดเป็นพรมอะไรเงี้ยท่านระบุไว้เลยว่าในแก่พวกภุ่มมะเทวดาฝี่สิงสถิตยอยู่ตามในพื้นที่พบเนะี่ยมีลุกเทวดาที่อยู่ตามต้นไมนะ้แล้วก็หรือว่าอยู่ตามวัตถุอื่นๆบ้างจึงเรียกว่าพระภูมิบ้างหรือพวกอากา อ, อพวกอยู่ในอากาศบ้างเนะทว่าอากาศศัพทกะเทวดาพวกสิงสถิตยอยู่ในอากาศบ้างเยนะ อย่างนี้เลยถือว่าเป็นเทวดาโดยอุบัติโดยกำเนิดเรียกว่าเป็นเทวดาจริงๆพวกนี้มีร่างทิพย์กายทิพย์นะมีร่างเท็พกายเท็พย์นเทวดาพวกนี้เรามองไม่เห็นแต่ก็ถือว่าเป็นเทพพ ย, ยดาประเภทหนึ่งประเภทที่สามวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์ก็ได้แก่ท่านที่มีขันธสันดานบริสุทธิ์สะอาดปราศ จ, จากกิเลสอาสวะทั้งปวง เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพทั้งสองในจํานวนเทพสามคือวิสุทธิเทพนี้พูดง่ายๆก็คือว่าผู้ใดได้บรรลุบรบรลุพูดง่ายว่าบรรลุคุณธรรมชั้นสูงมรรคผลนิพพานพูดง่ายๆได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหรันต์ให้เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระสงฆ์องค์เล็กก็แล้วแต่ถ้าหากว่าได้มรรคผลนิพพานก็ถือว่าเป็นวิสุทติเทพ นะเป็นเทพ ย, ยดาโดยอความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาหมดจดจากอกิเลสเครื่อง้อยรัดทั้งปวงพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าละสังโยชดได้นะ่ะั่นแหละถือว่าเป็นวิสุทธิเทศนะเป็นวิสุทธิเทศเป็นเทพ ย, ยดาโดยสมมุตินั่นเองอขอถามโทษเป็นเทพ ย, ยดาโดยความบริสุทธิ์อจากกิเลสตัณหาจากอาสวะทั้งปวงทีนี้ทรายาถามว่า ในเทพสามจำพวกนั้นจำพวกไหนประเสริฐที่สุดเนะี่อันนี้เราก็อธิบายได้เลยว่าวิสุทธิเทพนะวิสุทธิเทพคือเทพเป็นเทพยูดาที่ประเสริฐที่สุดคือวิสุทธิเทพได้แก่พระอรหันต์ธรรมดาพระอรหันต์นั้นท่านย่อมดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงแล้วถึงพระนิพานแล้วไม่อาจได้เกิดในภพใดๆต่อไปได้สิ้นภพสิ้นชาติ สามารถรักษาความเป็นวิสุธิเทพของตนไว้ได้ตลอดไปส่วนสมมุติเทพก็ดีอุปติเทพก็ดียังเป็นผู้มีกิเลสอาสวะอยู่อาจุติแต่ผนไปได้ต่างๆอาจวนเวียนอยู่ในโลกนี้ได้โลกหน้าได้อีกเลหลายชาติกรรมอาจจะแต่งปฏิสนธิให้เกิดในดีบ้างให้เกิดเลวบ้างไม่อาจจะรักษาความเป็นเทพของตนไว้ได้นานนะ นี่ฉะนั้นจึงบอกว่าในเทพสามก็คือวิสุติเทพนั้นประเสริฐที่สุดนะประเสริฐที่สุดอ่านี่ก็เป็นเป็นเรื่องเทพสามพอพอเป็นแนวทางแก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาวทุกชมทั้งหลายฉะนั้นการที่เราทุกคนได้บูชาเทพสามก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกจตัวเราก็ขอให้เราได้มีความเคารพมีการกราบไหว้ตามโอกาสตามฐานะตามสมควร เราก็จะมีแต่ความจเจริญเราก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองต่อไปก็จะได้พูดในในหัวข้อของธรรมนิยามสามนะธรรมนิยามสามติดต่อกันไปเลยธรรมนิยามสามก็คือหนึ่งสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสองสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สามธรรมทั้งปวงเป็นอ น, นัตตา ประการแรกขอให้ท่านมาทําความเข้าใจกับคําว่าธรรมนิยามคําว่าธรรมนิยามนั่นแปลว่าธรรมที่แน่นอ น, นคือหมายความว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอ น, นไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น น, นี่เรียก พ, พูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆก็คือว่าความแน่นอนนั่นเองะจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ไม่เป็นอย่างอื่นไปได้ท่านก็แบ่งออกเป็นสามคือหนึ่งสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง คำว่าสังขารในที่นี้ได้แก่สภาพอันปัจจัยปรุงแต่งทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณประกอบด้วยสังขตะลักษณะตกอยู่ในคติแห่งธรรมดาคือมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่างกลางมีแตกสลายไปในที่สุดจึงได้ชื่อว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงถ้าจะพูดให้ง่ายๆก็คือว่า สิ่งที่มีชีวิตเนะนี่ยนะนสิ่งที่มีชีวิตก็ดีหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งสองอย่างนี่มันไม่เที่ยงคือมันไม่คงที่พูดง่ายๆก็คือว่ามันไม่คงที่เช่นอะไรยังคนสัตว์เนี่ยเราเกิดมาเป็นพวกมนุษย์เป็นสัตว์อะไรทุกจําพวกสัตว์บทตัดน้ําอยู่ในอากาศอยู่ใต้ดินบนดินอะไรก็แล้วแต่มันไม่เที่ยงทางนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นอย่างนี้ เหมือนกันหมดให้เป็นผู้วิเศษขนาดไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เมื่อประสูติแล้วก็แน่นอนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปผลที่สุดก็เป ร, ริ้ยนิพพานตัวอย่างพจารย์บ้านก็คือตายเออตายจากกิเลสตัณหาด้วยร่างกายสังขารคือร่างกายก็แตกตักไปด้วยแต่ก็การบรรลุนิพพานนั้นเป็นพระอรหันต์นั้นก็คือสิ้นภพสิ้นชาติฉะนั้นสังขาร ทั้งตัวหมายถึงว่าทั้งสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองพูดง่ายๆทั้งสิ่งมีชีวิตก็เป็นอนิจจังสังเกตดูสิเราเราเกิดใหม่ๆก็ยังเป็นเด็กพอโตมานะเข้าก็เป็นหนุ่มเป็นสาวโตต่อมาก็แก่ก็เท่าต่อไปก็ตายเป็นอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นอนิจจัง ทีนี้สิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรต้นไม้ตึกรามบ้านช่องของใช้ต่างๆนานามันก็เป็นอนิจจังมันเป็นยังไงอนิจจังก็คือไม่ของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมมัันนเกิดมาจากเหตุมันก็ยังใหม่แต่พระนานะเข้ามันก็เก่าเก่านะเข้ามันก็เสื่อมก็ทุดก็ซ่อมไปส่วที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เรามีซื้อรถยนต์มาคันใหม่ยางใหม่เอียงทุกอย่างยางก็ไม่เลยสกเลย แต่พอเราใช้ไปนานๆเขาไอ้ยางมันก็สึกไปแล้วต้องเปลี่ยนจนดอกดวงมันหายไปหมดแล้วมันอาจจะลื่นเกาะถานนไม่ดีอาจจะเป็นอันตรายหรือบางที่ไอ้ยางนั้นก็ต้องแตกผลที่สุดเราก็ต้องทิ้งไปไอ้รถวิ่งใหม่ๆเครื่องมันก็ดีพอใช้นานไปนะเข้าเครื่องมันก็ชกักโครนเพราะเราใช้มันมากอาจจะเก่าอาจจะผุพังไปผลที่สุดก็ต้องทิ้งนะต้องเละทิ้งอ่านี่ผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจเรื่องว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังคือไม่จีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันเสื่อมไปแตกไปมันสูญหายไปก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรแล้วอย่าไปตกอกตกใจมันเกิดขึ้นกับเราได้มันก็หายได้นี่คิดอย่างนี้แล้วสมายใจ แต่ว่าเราไม่ค่อยคิดกันยิ่งเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเวลามีแฟนกันเวลารักกันนะรู้สึกมันชุ่มชื่นหัวใจมีอกดีใจแต่พอเวลาฝ่าหนึ่งฝ่ายใดต้องจากไปรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มันเกิดความกังวลใจมากนะฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องคิดให้มากข้อนี้เราจะต้องนึกให้มากเมื่อเรามีได้มันก็หายได้เรารักได้มันก็เกลียดได้ ของมีของใช้อะไรของเรามันมีขึ้นกับเราได้มันก็เสื่อมได้อันนี้มันเป็นหลักความจริงนะมันเป็นสัจธรรมถ้าว่าเราคิดอย่างนี้นั่นแสดงว่าเราเข้าใจเรื่องอนิจจังนะเราเข้าใจเรื่องอนิจจังแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอนิจจังแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อ น, อน viaje, เรามีแฟนแฟนของเราตายไปเราก็เป็นทุกข์เรามีพ่อมีแม่พ่อแม่ของเราจากไปเราก็เป็นทุกข์ สามีภรรยาจากไปก็เป็นทุกภรรยาสามีจากไปก็เป็นทุกพ่อแม่ลูกจากไปก็เป็นทุกขจริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมดาเขาไม่จากเราแล้วก็จากเขานี่มันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วของทุกสิ่งทุกอย่างมั น, ม, ม, ม, น, ม, นมีใหม่มันก็ต้องมีเก่านะมีใหม่มันก็ต้องมีเก่าบางคนไม่เข้าใจบางคนลูกทำแก้วแตกถ้วยโถโอชามแตกตีลูก เสียเป็นวัดเป็นเวรคลิปๆ ด, ดูแล้วก็น่าสงสารลูกมากแต่พ่อแม่ไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันแตกได้จริงๆแล้วคนทุกคนไม่อยากให้มันแตกไ ม, ไม่อยากให้มันแตกแต่เมื่อมันแตกแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไม่ไปดีอย่าได้ไปเสีย อ, อกเสียใจอะไรมากใช่เราเป็นปุถุชนมันก็ต้องมีความเสียดายก็เป็นธรรมดาอีกนั่นแหละ แต่ว่าอย่าไปตีจนกระทั่งให้มันเกิดความเดือดร้อนว่าเราอาจจะปราไม้พูดไว้อย่าทำอย่างนั้นอย่าประมาทอะไรอย่างนี้มันก็แน่ว่าพอสมน้ำสมเนื้อกันเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเรานี้จึงจะประสบกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงไอ้คาว่าไม่เที่ยงก็คือมันไม่อยู่คงที่ขอให้รู้ไว้พามันไม่อยู่คงที่ ไอ้ของที่อยู่คงที่เนี่ยมันไม่มีหรอกนะไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าเนี่แม้ว่าคนที่เรารักปานจะเกิดยังไงก็ไม่ได้อยู่กันเราตลอดไปนะถึงเราไม่อยู่กับเขาเขาก็ไม่อยู่กับเรามันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากไปถึงคราวเราเกิดความวิบัติหรือว่าเกิดความหายณนะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ เราจะต้องนึกถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอันินจังมันไม่เที่ยมมีคำกรบทหนึ่งว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยลายสดชื่นรื่นลายเย็นดับชีพแพรเย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้าม้วยอาสันนี่เห็นไหม อันนี้เรามองเห็นว่าทุกติ่งทุกอย่างชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอนเลยเราอาจจะตายในชั่วโมงนี้ได้ในวันนี้ได้ในเดือนนี้ได้เดือนหน้าได้ปีนี้ได้ปีหน้าได้ <c oughs> เรียกว่าชีวิตของเรานั้นตกอยู่ในความเป็นอนิจจงทุกลมหายใจเข้าออกบางคนนั่งคูอยู่ดีๆเครื่องบินตกมาทับตายก็มีนั่งอยู่ บนบ้านชายชายถนนรถวิ่งเข้าไปชนตายก็มีบางคนนั่งกินข้าวกินข้าวติดคอตายก็มีหรือบางคนก็เป็นนั่งคุยไปคุยมาหัวเราะเอิกอาดไปก็เป็นชักตาตั้งไปก็มีนี่เห็นไหมบางคนก็เป็นลมตายดังนั้นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนทั้งนั้นนะดังนั้นอย่าอย่าไปยึดถืออะไรมาก ถ้าหากว่าเราไปยึดถือว่าสิ่งใดที่มันมีกับเรามันเกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นจะต้องอยู่คู่กับเราต่อไปไม่ควรจะจากเราไปนั่นคิดผิดนั่นเป็นตัวอุปาทานนั่นเป็นตัวกิเลสตัวตัณหาจะทําให้เกิดทุกเกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาอย่าไปเสียอกเสียใจมาในข้อที่สองอที่บอกว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แม้ในที่นี้ก็ได้แก่สังขารทั้งสองคืออุปาทินากาสังขารและอนุปาทินากาสังขารคือทั้งสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองอันนี้ขอให้ท่านเข้าใจคือบางครั้งผู้สังขาร น, นก็งงอะไรมีใจครองอะไรไม่มีใจครองก็คือว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะ่ะ เราหมดทั้งโลกนี่เลยว่ามันทั้งจริงไมีชีวิตสิงไม่มีชีวิตเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ข้างๆตัวเราเนี่ยมันก็เป็นสังขารทั้งนั้นแต่มันไม่มีหัวใจเนี่มันเป็นวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นสังขารดังนั้นทั้งหมดนี่แหละมันก็เป็นทุกขเนี่เป็นทุกทั้งทั้งมีหัวใจและไม่มีหัวใจแต่สําหรับอุปาทินากาสังขารหมายถึงว่าสังขารที่มีใจครองเราจะพอเห็นได้ง่ายว่ามันเป็นทุกขเพราะความเป็นทุกข์แห่ง แต่เพราะความเป็นทุกข์แห่งอนุปาทินาสังขาร น, นั้นไม่ปรากฏเหมือนกับปุปาทิณาสังขารคือเราเห็นไม่ชัดนะแต่ก็มีได้เช่นต้นไม้ใบไม้ที่มีถ้ามีอากาศซีดหรือเหี่ยวแห้งมีอาการซีดหรือเหี่ยวแหง้งท่านก็กล่าวว่ามันแสดงอาการเป็นทุกข์ของมันฉะนั้นในข้อนี้ก็จัดว่า สังขารทั้งสองเป็นทุกข์อันนี้ขอให้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทำความเข้าใจให้ดีไอ้คาว่าสังขารเป็นทุกข์กับว่าสังขารไม่เที่ยงเนีย่ยมันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบางครั้งแยกกันไม่ออกไอ้คาว่าทุกข์นี่แปลว่าสภาวะที่ทนได้ยากสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากนทนอยู่ได้ยากคือหมายถึงว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เนี่ยเมื่อพูดถึงอานิจังมันก็เท่ากับว่าพูดถึงในทุกขังไปด้วยอ่ามันมันสองอย่างนี่เรียกว่าในบางที่ก็คือเขาอธิบายอย่างเดียวก็เหมือนกันนะยกตัวอย่างง่ายๆเรานั่งนานๆมันเมื่อยเราก็พลิกนะเป็นยืนบ้างยืนนานๆมันเมื่อยอ่ามันเป็นทุกข์เราก็เปลี่ยนเป็นเดินอ่าเดินมากๆมันเป็นทุกข์อีกแล้วมันปวดมันเมื่อยเราก็หยุดนะยืนเดินนั่งนอน เนี่ยเราต้องเปลี่ยนอี๊ยบดอยูตอ่ตลอดเวลานี่แหละจึงบอกว่าในสังขารทั้งปวงมันเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์อย่างนี้นะมันเป็นทุกข์อย่างนี้เพฉะนั้นจึงบอกว่าทุกข์คือสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ตั้งแต่เราเริ่มปฏิสนธินะตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่นะอยู่ในท้องพ่อท้องแม่ขอให้ให้เราทุกคนตั้งใจคิดให้ดีว่า เราเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิตั้งแต่เริ่มเป็นจุดเป็นกลลาละจุดเล็กๆน้อยๆไอ้ไอความเป็นทุกข์ก็คือว่าไอ้จุดนั้นมันไม่สามารถที่จะอยู่เป็นจุดเล็กๆอย่างนั้นตลอดไปได้มันจะต้องเป็นทุกข์คือสภาวะที่ทนยากก็คือว่าใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยจนกระทั่งเรารู้ว่าคนนั้นท้องหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนนี่ แล้วเราก็เรียกคนนั้นว่าคนท้องแกจง่จริงๆแล้วท้องมันไม่ได้แกจ่จริงๆแล้วลูกมันแก่เด็กมันแก่นะเด็กมันแก่แต่เราไปเรียกว่าคนท้องแก่นะไอ้เด็กมันแก่แล้วมันก็ดันท้องให้ยืดออกมานะดันท้องให้ยืดออกมาเราก็เลยเรียกว่าคนท้องแก่นี่เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันจริงๆแล้วก็คือนี่แหละมันเป็นทุกข์ทุกข์คือมันทน ทนอยู่เล็กๆไม่ได้มันก็ขยายต่อไปจากที่มันเป็นจุดเล็กจุดน้อยก็มาแต่เป็นกิ่งเป็นก้านเป็นสาขาเป็นมืเป็นเท้าเป็นปากตาหูจมูกนิ้นกายใจเมื่อมันทุกข์มากไปมันก็ไม่สามารถที่จะขยายอยู่ในท้องได้มันก็ออกมาขยายข้างนอกต่อไปอีก น, นี่นี่คือสภาว่าความเป็นทุกข์ เมื่อเราทุกกายแล้วก็มาทุกใจอีกด้วยนะก็มาทุกใจอีกด้วยนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละจึงบอกว่าอสังขารนี่ยมันเป็นทุกอย่างนี้ของใช้ไม้สอยทุกอย่างเหมือนกันไอการที่มันเก่าไปมันเสื่อมไปมันทรุดโทรมไปนี่แหละมันเท่ากับว่ามันเป็นทุกข์แล้วนะมันเป็นทุกข์แล้วเหมือนกันนี่แต่ว่าเราไม่ค่อยเรียกว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตนั้นมันเป็นทุกข์เรามักจะเรียกว่า ของมันเก่าแล้วของนิรนานแล้วมันเสื่อมโซมไปแล้วใช้อะไรไม่ได้แล้วเราไม่เก็พูดอย่างนั้นอ่านี่มาในข้อที่สามทมทั้งตัวเป็นอนัตตาคือสภาพอันได้แก่ชื่อว่าทมในบทหลังนี้กินความกวาม้างตลอดถึงอุปาทินกาสังขารและอนุปาทินกาสังขารด้วย คือตลอดถึงสังขารอันจะต้องแปรผันเสวยทุกเป็นไปโดยอํานาจแห่งกติธรรมทั้งวิสังขารคือพระนิพพานอันตรจะจากตัวตนซึ่งท่านจัดว่าเป็นอนัตตาด้วยแต่ไม่ประกอบด้วยความผันแปรและเป็นทุกสังขารทั้งหมดอันไม่เที่ยงเป็นทุกต้องเป็นอนัตตาด้วยแต่สำหรับวิสังขารถึงจะเป็น อนัตตก็จริงหาได้ประกอบด้วยความผันแปรหรือเป็นทุกข์ไม่ไม่เหมือนประเภทข้างต้นจึงใช้เรียกบทหลังว่าอาธรรมนอธรรมอ่ฉะนั้นอาฉะนั้นในธรรมสามบทนี้จึงเป็นธรรมะทิ่ติคือหมายถึงว่าเป็นธรรมที่ตั้งมั่นอยู่แปลว่าธรรมตั้งความตั้งอยู่โดยธรรมหมายความว่า อสังขารเนีธยทมเหล่านั้นจะต้องตั้งอยู่ตามธรรมดาเช่นนั้นคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมมาในยามว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตน ก็จะทำให้เราดําเนินชีวิตด้วยความผาสุขเมื่อมีอะไรปรากฏขึ้นเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเราก็เอาหลักสามอย่างนี้เข้ามาเข้ามาน้อมนึกเข้ามาพิจารณาจะทำให้เราคลายจากความทุกโศกได้จะทำให้เราไม่มีสติปัญญาเกิดความรู้เท่าทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ เราจะได้ไม่ตกตกตกใจเราจะได้ไม่เสียใจทีนี้ที่บอกว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาไอ้ที่ว่าไม่เที่ยงนั้นเราไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรที่ไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเพราะสัน ต, ติมาปิดบงังสัน ต, ติก็คือการสืบต่ออือีการสืบต่ออะไรการสืบต่อคือไอ้สภาวะ อของสังขารนั้นมันเกิดดั บ, ดบด เ, เ, เกิดดับอยู่ตลอดเวลานเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยหนึ่งนาทีอยู่เนี่ยสังขารของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยหรือเหมือนกับเราจุดไฟแสงเทียนกันเนี่ยไอดวงที่เราจุดดวงแรกกับไอที่เราเห็นห่างกันหนึ่งนาทีนะมันคนละดวงนะเนี่ยมันคนละดวงเนี่ ย, มนนยไม่ใช่ดวงเดียวกันนี่มองตามสภาวะธรรมตางความเป็นจริง แต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นคนละดวงเพราะสันติไอ้การสืบต่อคือไอ้ของเก่ามันก็หมดไปของใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนไอ้เส้นต่างๆของเรามันกันเส้นเก่ามันก็ตายไปเส้นใหม่ขึ้นมาแทนขนเก่าหลุดไปขนใหม่ขึ้นมาแทนนี่มันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่ทราบเพราะสันติมาปิดบังเหมือนกับพัดลมที่เราเห็นว่าเอาเวลามันหยุดเราเห็นมันมีอยู่สามใบสามแฉก เวลามันหมุนไวๆเราจะมองไม่เห็นเป็นแฉกเลยเราจะเห็นว่ามันติดกันเป็นพืชเลยนี่เพราะสันตติคืการสืบต่อที่รวดเร็วว่องไวนั่นเองเตุการที่สองที่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะอิริยบทมาปิดบงังหมายถึงว่าพอมันปวดมันเมื่อยเราก็ยืยนเดินนัง่งนอนเปลี่ยนวนเวีนอยู่เลยเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นี่เพราะอิริยาบถการ อที่เราต้องปรับปรเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยมันเลยปิดบังและจนเราไม่รู้ไม่เห็นมันตามความเป็นจริงในข้อที่สามที่บอกว่าทำทั้งอตัวเป็นอนัตตาเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนก็เพราะคณะสัญญาคือความสําคัญว่า อเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นชิ้นเป็นอันมันมาปิดบังเราว่านี่มันเป็นตัวของเราแต่พระพุทธองค์บอกไม่ใช่ตัวของเรานี่หนังสือของเราจริงๆมันไม่ใช่ของเรานี่ทรัพย์ของเราจริงๆมันไม่ใช่ทรัพย์ของเรานี่สามีของเราแต่มันจริงมันก็ไม่ใช่นี่ภรรยาของเราจริงๆมันก็ไม่ใช่ถ้าเป็นของเราจะต้องอยู่กับเราตลอดไปคู่ฟ้าคู่ดินแต่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเรือยอาจจะตายวันนี้วันหน้าก็ได้มันไม่แน่ นี่แหละจึงบอกว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนที่เราไม่รู้เพราะเราสําคัญเห็นว่าเอาเห็นด้วยตาจับต้องได้ว่ามันจะต้องอยู่กับเราอยู่อย่างนี้เสมอไปนี่แหละตัวคณะสัญญาความสําคัญว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาติดบังปิดบงัดบงตาปัญญาของเราทําให้เราไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่มีข้อพิเศษที่น่ารู้อย่างหนึ่งก็คือว่า ในสองข้อบอกว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แต่มาในข้อที่สามไม่พูดว่าสังขารมาใช้คําว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนข้อนี้น่าสงสัยมากคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าทําไมจึงต้องใช้คําว่าธรรมทั้งหลายอ่าไม่มีตัวไม่มีตนทําไมไม่ใช้คําว่าสังขารไม่มีตัวไม่มีตนนี่ขอให้ท่านฟังไว้ให้ดีถ้าหากว่าใช้คําว่าสังขารไม่มีตัวไม่มีตนมันกินความแคบกินความไม่หมด กินความได้แค่ว่าสังขารมีใจของกับไม่มีใจของเท่านั้นเองแต่ถ้าใช้คําว่าทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนกินความหมดเลยเพราะในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นสังขารก็คือวิสังขารได้แก่พระนิพพานพระนิพพานก็ไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนฉะนั้นพระนิพพานไม่ใช่สังขารเป็นวิสังขารฉะนั้นจึงต้องใช้คําว่ารรมมาจกินกินความได้กว้างฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจตามนี้ด้วย ด้านการบรรยายมาเกี่ยวกับเรื่องอาเทศสามก็ดีเกี่ยวกับเรื่องธรรมนิยามก็ดีก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามว่าด้วยเรื่องนิมิตสามคือหนึ่งปริกรร ม, มนิมิตคือนิมิตในบริกรรมสอง อกคหานิมิตนิมิตติดตาสามปฏิภาคานิมิตนิมิตเทียบเคียงประการแรกขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านิมิตเดียก่อนคำว่านิมิตแปลว่าเครื่องกำหนดจดจานะเครื่องกาหนดจำ ในการบำเพ็ญสมถกรรมฐานหรือว่าสมถภาวนาได้แกวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นรูปสามารถได้เห็นด้วยตาพโยคาวจรยึดเอารูปนั้นหรือหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติยึดเอารูปนั้นเป็นอารมณ์เพื่อกันจิตไม่ให้วันไหวไม่ให้กัดแกว่งไปตามอารมณ์ต่างๆเรียกว่านิมิตอย่างนี้เรียกว่านิมิต คือพูดง่ายๆว่านิมิตเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายนะเป็นเครื่องหมายที่ที่เอามาเป็นเครื่องกําหนดในการเจริญสมถกรรมฐ า, านหรือสมถภาวานานะเช่นว่าเราอาจจะเพ่งกรสินนะเพ่งเทียนนะเพ่งดินอะไรก็แล้วแต่และเพ่งน้ําเพ่งไฟเพ่งลมอะไรก็แล้วแต่ในอย่างเนี้ยถือว่านิมิตทางนั้นคือเครื่องหมายทางนั้นเลยอ่านฉะนั้น อนิมิตนี้เขาจึงแบ่งออกเป็นสามประเภทนะออกเป็นสามประเภทก็คือหนึ่งบริกรรมอนิมิตได้แกนะ่ผู้เจริญสมถกรรมฐานเพ่งวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งคือกสินสิทธ์นะหรืออสุภสิทธ์อนะ่าซึ่งเป็นวัตถุที่อาจผูกจิตผูกใจไม่ให้สายไปสายมาแล้วบริกรรมว่า ปฐวีกสินังปฐวีกสินังเช่นว่าอในกสิณสิบก็เช่นว่าธาตุสีก็อปฐวีก็คือว่าธาตุดินเราก็เอาบอกว่าปฐวีกสินังปฐวีกสินังปฐวีกสินังเราบริกรรมภาวนาอย่างนี้จะทําให้จิตของเราสงบทําให้จิตสงบเราจะเพ่งดินเพ่งน้ําเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือว่าเพ่งอากาศเพ่งแสงสว่างอะไรก็แล้วแต่ละ อ่าอันนี้แหละมันเป็นเครื่องผูกกิตผูกใจทำให้จิตใจของเราสงบได้หรือว่าเราจะเจริญอสุภาสสิคือพิจารณาร่างกายเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาสากศพที่เกิดอ่าที่ตายขึ้นในวันหนึ่งสองวันสามวันหวันเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนตั้งแต่ตายใหม่ๆแล้วก็มีสีเขียวําจนมีนอนชัยอ่าจนมีน้ำเหลืองไหลยเยิ้มจนกระทั่งที่สุดเน่าเฟะกอน เหม็นพระพลุ้งจนระการสุดท้ายก็ เ, เหลือแต่โครงร่างกระดูกเนี่ยหรือว่าเราจะเจริญอสุภะอย่างนี้ก็ได้นะเจริญอย่างนี้ก็ได้เมื่อเราได้พิจารณาเอามาเป็นอารมณ์มาบริกรรมแล้วก็อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นบริกรรมนิมิตนะคือบริกรรมนิมิตนิมิตอย่างนี้เรียกว่าใช้ได้ในกรรมฐานทุกอย่างนะใช้ได้ในกรรมฐานทุกอย่าง เมื่อพูดถึงบริกรรมในนิพนธ์ี่อันนี้ก็เป็นที่สงสัยหรือว่าบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนก็ว่าเอ๊ะไปพิจารณาอย่างนั้นนะมันจะใจสงบยังไงธรรมดาใจของเราเนี่ยมันกวัดแกว่งมันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานะมันดือ้อห้ามยากรักษายากนะเพราะนั้นเราจะต้องดัดนะเราจะต้องดัดใจ อ่านะต้องหนัดใจเหมือนกับคนทําลูกศอนนะทําลูกธนูจะต้องดัดธนูให้ตรงลูกธนูถ้ามันตรงแล้วก็เมื่อเราปล่อยไปมันก็ไปถูกต้องตามเป้าหมายนะถ้าเราเล็งไปตามเป้าหมายมันก็ไปตรงแต่ถ้าลูกธนูมันโคดให้เราเล็งตรงอย่างไงมันก็ไปไม่ตรงนะไปไม่ตรงดังนั้นมันจะต้องดัด การดัดของเขานั้นโลกสอนนั้นบางครั้งนั่นบางอย่างก็ต้องใช้ต้องลนไฟนะต้องดัดต้องลนไฟจิตใจของคนเราเหมือนกันเราจะต้องฝึกนะเราจะต้องฝึกต้องดัดดัดกายดัดวาจามีคํากลอนบทหนึ่งว่าคนจะดีนี้ต้องฝึกและศึกษากายวาจาต้องอบรมบ่มนิสัยต้องฝึกจิตให้แน่นหนักเป็นหลักชัย ชนะภัยสารพัสสวัสดีทันโตเศโถฐมนุเสเตสุคนจะฝึกคนที่ฝึกจิตฝึกใจดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายทันตังจิตตังภูขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วพัฒนาดีแล้วคุ้มครองดีแล้วก็นำสุขมาให้ น, นาสุขมาให้ฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ฝึกทั้งนั้น เรา <im ité> ทุกคนเกิดมาเราไม่เป็นอะไรกันทั้งนั้นแต่ที่เรามาเป็นนี้เพราะเราฝึกนะเพราะมาฝึกกินเป็นก็ฝึกนั่งเป็นก็ฝึกเดินเป็นก็ฝึกต้องฝึกทั้งนั้นเลยนะต้องฝึกทั้งนั้นนอนเป็นก็ฝึกพูดเป็นก็ฝึกพ่อแม่ต้องฝึกไว้แล้วให้เรียกพ่อเรียกแม่เราพูดได้เนี่ยเพราะเราฝึกนั่นเองพูดฝึกแค่นั้นยังไม่พอต้องให้รู้จักดีจักชั่วฝึกพูดดีพูดยังไงนี่ต้องรู้อีกด้วย ฝึกมือให้ประนมมือเป็นให้ไหว้ให้กราบเป็นแลว้วไหวกราบยังไงจึงจะสวยงามนี่ทุกอย่างต้องฝึกทั้งนั้นไม่ฝึกไม่ได้นะดังนั้นวัวควายช้างม้ามันอยู่ในดงในป่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้ดีรู้ชั่วแต่ว่าเราเอามาฝึกมันก็ใช้เป็นประโยชน์ได้เอามาเทียมแอกเทียมเกวียนลากสิ่งของได้นะดังนั้นจึงบอกแล้วว่าคนเราเหมือนกันต้องฝึกจิตฝึกใจต้องดัดจิตดัดใจ นะจึงจะเป็นคนดีดังนั้นการที่เราได้อาฝึกในการเจริญหรือว่าเพ่งกระสินหรือจเจริญกสินสิบอุปภาษิสก็เพื่อจะรวมพลัง จ, จิตใจไม่ให้มันส่ายไปส่ายมาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่าเอกคัตตารมณ์มีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็จะทําให้มีพลังจิตเข้มแข็งแล้วก็มีความทนทานแล้วมีสติปัญญาดีน้ำที่มัน มันรั่วหลายๆช่องแล้วใส่ตุมรายใส่ปิ๊บไว้มันรั่วหลายหลายช่องมันจะไหลไม่แรงแต่ถ้ามันมีช่องเหนียวในน้ํามันจะไหลแรงจิตใจของเราเหมือนกันถ้ามันส่ายไปสายมาสายไปทางโน้นทางนี้บ้างมันก็ยังว่านั่นแหละมันมันพลังจิตของเรามันไม่เข้มแข็งนะไม่เข้มแข็งแต่ถ้าเรารวมพลังจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วมันก็เข้มแข็งจะทําอะไรก็มักจะสําเร็จทุกอย่าง นึกคิดอย่างไรก็สำเร็จทุกอย่างแต่นั้นคนเราเนี่ยรับอารมณ์มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ที่เรารับมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันเป็นช่องช่องรั่วนะช่องรั่วของพลังจิตพลังใจทำให้บาปอากุศลเข้ามาไอบุญมันก็เลยไม่ค่อยมีความดีมันก็เลยต้องจางหายไปแต่ถ้าเรารู้จักติดตาหูจมูกลิ้นกายใจ เหมือนกับที่เขาว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเฟ้บ้างนั่งนอนสบายเราทำอย่างนี้ได้ก็จะทำให้เรานั้นมีพลังจิตเข้มแข็งคือตัวสมาธินั่นเองฮะตัวสมาธินั่นเองนี่ฉะนั้นเราจะต้องฝึกนะเราจะต้องฝึกฝึกก็คือต้องสํารวมตาหูจมูกเล้นงกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูป จะรู้ฟังเสียงจงกรมกลิ่นลิ้ ง, ง, งรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆเราสารวมอย่างนี้แน่นอนที่สุดพลังจิตของเราก็จะเข้มแข็งฉะนั้นเมื่อเราบริกรรมนิมิตก็ได้แก่เราจะรนสมถากรรมฐานด้วยการเพ่งวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้จิตของเราสงบได้ประการที่สองอุคหะนิมิตได้แก่วัตถุอันเป็นบริกรรมนิมิตนั่นเอง แต่เมื่อพิสุหรือผู้หนึ่งผู้ใดบริกรรมเพ่งวัตถุนั้นจนติดตาถึงแม้หลับตาก็เห็นวัตถุที่ตนเห็นนานึกนั้นและบริกรรมนั้นอย่างชัดเจนนะถ้าเราเห็นเหมือนเวลาที่เราลืเราเห็นเหมือนกับเวลาที่เราลืมตาอยู่อย่างปกติโอกหานิมิตก็จะบังเกิดขึ้นฉะนั้นโอกหานิมิตนี้ก็ใช้ได้ในกรรมฐานทั่วๆไปอันนี้หมายความว่า ในขณะที่เราเรานั่งหลับตาบริกรรมอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปสมมติว่าอนู่ตอนที่เราเลิมตานั้นเราก็เห็นพระพุทธรูปนะแต่พอหลับตาไปที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราบริกรรมไปบริกรรมไปเราก็เห็นพระพุทธรูปนั้นก็ทีแรกก็อาจจะเห็นไม่ชัดแต่พอเราใช้พลังจิตมากๆมันก็จะชัดเข้าชัดเข้าทาให้เราเห็นชัดเห็นติดตา ลืมตาก็เห็นหลับตาก็มองเห็นรูปอย่างไรเหมือนองค์จริงจริงอย่างนั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าอุกกห์นิมิตเรียกว่านิมิตติดตานะเรียกว่านิมิตติดตาแต่ไม่ได้นึกเอานะไม่ได้นึกเห็นเอาคือเห็นด้วยด้วยด้วยปัญญาด้วยตาปัญญาอย่างนี้คือเรียกว่ า, จ, าวนะจิตเป็นสมาธิแล้วนะจิตเป็นสมาธิแล้วนี่แหละเรียกว่าอุกกห์นิมิต แปลการที่สามก็คือปฏิภาคณิมิตคําว่าปฏิภาคณิมิตหืือพูดอย่างนักเรียนนักศึกษาว่าปฏิภาคในมิตหมายความว่าเมื่อหลับตาก็ติดตาเห็นได้เช่นนี้แล้วก็อาจจะขยายส่วนหรือย่นย่อส่วนวัตถุนั้นๆได้จําเดิมแต่วัตถุนั้นกําเนิดมาอย่างไรจึงมาเป็นอยู่อย่างนี้ให้รูปสันฐานสวดทรงของวัตถุนั้นปรากฏอยู่ปฏิภาคณิมิต ที่ได้ในในที่นี้ก็จะได้ในกรรมฐาน22คือได้ในเกสินสิบอสุภาษิตกายคตาสติหนึ่งอาณาปานาสติหนึ่งเกี่ยวกับปฏิภาคลิมิตนี้ก็อยากจะขยายอีกนิดหน่อยว่าคือหมายความว่าเมื่อเราได้อุกหานิมิตจนติดตาเห็นรูปพระพุทธรูปติดตาหรือว่าเห็นอะไรก็แล้วที่มันติดตาขึ้นมาเห็นด้วยตาปัญญาด้วยจิตใจเป็นสมาธิ แล้วเราสามารถที่จะขยายวัตถุนั้นะให้ใหญ่ก็ได้ให้ใหญ่เท่าตึกก็ได้อให้เล็กลงไปเท่าเมาเล็ดงาก็ได้นี่นี่ด้วยอํานาจพลังจิตที่สงบนะด้วยอํานาจพลังจิตที่สงบฉะนั้นจึงบอกว่าปฏิภาคณิมิตนี่ขยายส่วนให้เล็กได้ใ ห, ให้ใหญ่ได้รู้ว่าสมุดฐานมันเกิดมาอย่างไรอแล้วมันเป็นไปอย่างไรมันเหมือนกับไอ กล้องซูมเนี่ยที่เราสามารถเลือกล้องส่องทางไกลเนี่ยเราสามารถจะส่องทางไกลสิ่งของไกลๆให้มาเห็นใกล้ๆได้นะให้เห็นชัดได้ตากฏชัดได้แต่เราเห็นด้วยตาปัญญาด้วยตาคืออาจิตใจที่เป็นสมาธิแต่ปริภาคณิมิตนี้เราจ ะ, จะเจริญได้ก็ในกรรมฐานยี่สิบสองอย่างนะได้ในกรรมฐานยี่สิบสองก็อย่างที่บอกว่า อากษินสิบอสุภสิบรวมเป็นยี่สิบกายคตาสติหนึ่งแล้วก็อานาปานสติหนึ่งนี่เราจะได้ในกรรมฐานยี่สิบสองทีนี้เมื่อพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องในมิตรสามก็ถ้าจะมีปัญหาถามว่าการนึกถึงสถานที่ต่างๆที่ตนเคยไปมาแล้วก็ดีโดยนึกถึงอาทินฐานที่ตนเคยอยู่แล้วก็ดีเห็นเป็นรูปเป็นร่างตลอดทางที่ไปมา การเห็นทิ่นี้จัดว่าได้อุกห h ิมิตหรือไม่หรืออย่างไรถ้าปัญหาข้อนี้เราก็แก้ได้เลยว่าจะจัดว่าได้อุกห h ิมิตไม่ได้เพราะว่าการนึกถึงสถานที่ที่เคยอาไปถึงถิ่นฐานที่ตนเคยอยู่เหล่านั้นเป็นเพียงสัญญาคือความจำได้เท่านั้นแล้วก็นำมานึกน้อมวาดมโนภาพขึ้นในใจเท่าที่จำได้ตามที่เห็นมาอันนี้เรียกว่าอุก a h ิมิตได นะคือหมายความว่าที่เราเห็นอเรียกได้นั้ น, น, นคือที่เราจะเรียกอขอประทานโทษที่เราจะเรียกว่าเป็นอุกหานิมิตได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยการบริกรรมหรือว่าเพ่งกระสินจนวัตถุนั้นติดตาไม่ใช่แต่เพียงจำไม่ใช่แต่เพียงนึกถึงจะหลับตาลงรูปกระสินนั้น<อ>ก็ยังปรากฏชัดอยู่เหมือนนด่งตาอยู่นะอย่างนี้แหละจึงจัดว่าเป็น อคหะนิมิตคือเป็นนิมิตติดตาแต่ถ้าเราเห็นด้วยสัญญาคือความจําน้อมนึกเอาเฉยๆอย่างนั้นไม่เป็นอกคาหะนิมิตนี่ขอให้ทราบไปด้วยนะทีนี้เมื่อพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนิมิตสามก็อยากจะพูดถึงเรื่องภาวนาสามติดต่อกันไปเลยนะภาวนาสามติดต่อกันภาวนาสามก็ได้แก่หนึ่งบริกรรมภาวนาภาวนาในบริกรรมสองอุปจาระภาวนา ภาวนาเป็นอุปจารหรืออุปจาระสามอ ป, ปนาภาวนาภาวนาอาภาวนาเป็ น, อ ย, น, นอย่างแน่วแน่อย่างแน่วแน่บางทีเขาก็มักจะพูดทับศัพท์ว่าภาวนาเป็นอั ป, ปนาก็คือว่าภาวนาอย่างแน่วแน่หมายความว่าอย่างไงประการแรกขอให้ท่านมาทําความเข้าใจกับคําว่าภาวนาเสียก่อน คำว่าภาวานานี่แปลว่าการอบรมนะแปลว่าการอบรมหรือแปลว่าจเจริญก็ได้นะ <Hayır. S 1> แปลว่าจเจริญก็ได้ภาวานาเนี่ยการอบรมก็ได้การจเจริญก็ได้อื ừ, ยังกับอมีคําอย่างเช่นว่าอจิตภาวนวิทยาลัยเนะี่ยคําว่าจิตภาววั น, นียก็หมายถึงว่าการอบรมจิตอ่ภาววันนั่นแหละมาจากภาวนาอ่จิตภาววันก็คือการอบรมจิตหรือการพัฒนาจิต การพัฒนาจิตอก็แบ่งออกเป็นสามอย่างคือหนึ่งบริกรรมภาวนาหมายเอากิริยาที่บริกรรมในขณะที่จเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เพ่งวัตถุเหมือนที่กล่าวแล้วในนิมิตสามทั้งเป็นลำพังนึกเช่นจเจริญอนุส ต, ติสิบบริกรรมภาวนาได้ทั่วไปในบริกรรมทั้งกลวงคือหมายความว่า เราจ ะ, จะเจริญ อ, อนุสติสิบก็ตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นนะเราจะเจริญโดยนึกถึงคุณประพุทธนึกถึงคุณประธรรมนึกถึงคุณประสงค์นึกถึงาทานเศียรที่ตนเองได้ประพุทธปฏิบัติมารักษามาอาในเสียสละมานึกถึงเทพยาดาที่คุ้มครองเราก็จะทําให้ใจของเรานั้นสงบได้นะจะทําให้ใจของเรานั้นสงบได้ฉะนั้น อันนี้แหละเรียกว่าบริกรรมภาวนานะเรียกว่าบริกรรมภาวนาคือพูดง่ายๆก็คือว่าบริกรรมภาวนานี้เราใช้ได้ในกรรมฐานทั่วไปคือหมายถึงว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรแต่ใช้บริกรรมอย่างนี้ใช้ได้ทั้งนั้นนะใช้ได้ทั้งนั้นเลยอืมนะประการที่สองก็คืออุปจาระภาวนา หมายเอาภาวนาในขณะที่อุคานิมิตรปรากฏในในการเจริญกรรมฐานเพ่งวัดเพ่งดูวัตถุหรือในขณะที่นิวรสสงบในการเจริญกรรมฐานเป็นแต่ลงพังนึกอุปจาระภาวนานี้ได้แก่ภาวนาใกล้เข้าไปหรือจวนจะแน่วแน่ได้ในกรรมฐานทั้งปวงอีกเหมือนกันอันนี้ก็หมายความว่า การที่เราได้เจริญภาวนาไปนะในขณะที่อุก a า a นิมิตปรากฏขึ้นก็คือหมายความว่าในขณะที่นิมิตต่างๆปรากฏติดตานะอย่างที่ทางธรรมกายเขาก็บอกว่าได้ปฐมถม ม, มัชนะเห็นได้ดวงแก้วไปแล้วนะได้ดวงแก้วได้ปฐมอม ม, มัช หรือเราเพ่งวัตถุอะไรก็อาจจะมองเห็นจนติดตาติดตาต้องติดตาด้วยปัญญาด้วยจิตใจที่สงบนะออย่างนี้แหละอเรียกว่าอุปจาระภาวนานะเรียกว่าอุปจาระภาวนาเมื่อเมื่ออุปจาระภาวนาเกิดขึ้นนะเมื่ออุปจาระภาวนาเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดนิวรหกก็จะสงบนะก็จะสงบ ในวรห้าก็ได้แก่หนึ่งกามฉันทะความพอใจในกามสองพยาบาทความคิดอ า, อาฆาตปองร้ายผู้อื่นสามถีนมิทะความง่วงเหงาหาหนอนสี่อุทจักกุกกุ จ, จักความฝ้งสร้างรำคาญใจห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จะหมดไปเมื่ออุปจาระภาวนาเกิดขึ้นนะคืออุปจาระภาวนาพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือได้แก่ว่าใกล้เข้าไปจวนที่จะสงบอย่างแน่วแน่นะจวนที่จะสงบอย่างแน่วแนะ่จิตใจใกล้แนละ้วแต่ว่าได้นานมากนะได้นานเหลือเกินใกล้จะสงบนะนี่อย่าง น, นี้แเราเรียกว่าอุปจาระภาวนาแต่อุปจาระภาวนาจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่า ต้องเกิดขึ้นในขณะทีุ่ปกาสในมิตปรากฏขึ้นก่อนหมายถึงว่าเห็นในมิตติดตาเห็นภาพติดตาโดยไม่ได้นึกคิดแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะใจสงบนะเกิดขึ้นเพราะใจสงบฉะนั้นอุปจาระภาวนานี้ก็หมายถึงว่าได้ในกรมนนกรมฐานทั่วไปนะใช้ได้ในกรรมฐานทั่วไปมาในข้อที่สามก็คืออปปนาภาวนา หมายเอาภาวนาในขณะที่ปฏิภาคิมิตรปรากฏในการเจริญกรรมฐานเพ่งดูวัตถุอัปนาภาวนาได้แก่ภาวนาแน่วแน่ภาวนาประเภทนี้ท่านกล่าวว่าเป็นตัวฌานนะเป็นตัวตัวยานนะเป็นตัวยานคือในการเจริญกรรมฐานเป็นแต่เพียงลำพังนึกเช่นเจริญอนุส ต, ติสิทอิ์อย่างนี้เป็นต้นท่านกล่าวว่า ไม่เป็นอัปปนาหรือไม่ถึงอัปปนาแต่หมายถึงว่าการที่เราจะเริยนอัปปนาหมายถึงว่าสงบอย่างแน่วแน่ทาจิตให้สงบอย่างแน่วแน่ได้นานนะได้นานนะบางคนเนี่ยสังเกตุนั่งสมาธิได้เป็นสิบสิบชั่วโมงนะยังเมื่อคราวที่งานทําบุญอายุของพระเดชสกุลหลวงพอ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ครบแปดสิบปีก็มีพระอาจารย์นีปรสศนาได้มานั่งกรรมฐานตั้งสามสิบสี่สิบชั่วโมงนี่ยังนั่งได้เห็นไหมนี่แหละเ ป, เป็นเรียกว่าถึงอปปนาภาวนานะเรียกว่านั่งได้นะนานเหลือเกินนะนี่พวกเราบางทีก็นั่งได้กันนิดนิดหน่อยหน่อยนั่งได้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่านี่นั่งได้นานนี่แหละอปปนาภาวนาได้อย่างแน่วแน่นะได้อยางแน่วแน่ แต่ว่าอัปนาภาวนาจะเกิดขึ้นได้นั้นปฏิภาคณิมิตจะต้องปรากฏขึ้นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะขยายอุกกาห์นิมิตที่ปรากฏขึ้นนั้นให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้นี่นี่แสดงว่าเรามีพลังจิตมากเลยนี่ยมีพลังจิตมากมีกําลังภายในมากอเมื่อเรามีกําลังภายในมากแน่นอนที่สุดจิตของเราก็ทําประโยชน์ได้มากเนี่ย เราจะทำอะไรนึกคิดอะไรพูดอะไรในกิจที่ทาคาที่พูดรู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์เกิดเรเกิดผลขึ้นมากหวือเกินสำหรับกิจที่ที่ถึงอัปปนาภาวนาฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของภาวนาสานะถ้าจะมีปัญหาถามบอกว่าบริกรรมนิมิตรกับบริกรรมภาวนาต่างกันอย่างไรอย่างไหนได้ในกรรมฐานชนิดไหน อันนี้นักเรียนนักศึกษาต้องเข้าใจเราจะต้องตอบว่าต่างกันคือบริกรรมในมิตแปลว่านิมิตรในบริกรรมเครื่องหมายในบริกรรมก็ได้แก่การที่ผู้ปฏิบัติหรือพยโยคาวจรผู้เจริญกรรมฐานเพ่งดูวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ซึ่งเรียกว่าบริกรรมก็จัดเป็นบริกรรมนิมิตส่วนบริกรรมภาวนานั้นแปลว่า ภาวนาในบริกรรมได้แก่กิริยาที่ทางบริกรรมในขณะเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เพ่งดูวัตถุดังกล่าวในบริกรรมมณิมิตนั้นก็ดีทั้งที่เป็นลาพังนึกเช่นเจริญอนุสติก็ดีจัดเป็นบริกรรมภาวนาบริกรรมบริกรรมนิมิตได้จัด ขอประทานโทษจัดเป็นบริกรรมภาวนาและบริกรรมนิมิตได้เฉพาะในบริเฉพาะในกรรมฐานชนิดที่มีรูปที่จะเพ่งดูด้วยตาหรือว่านึกด้วยอารมณ์เท่านั้นพูดอย่างนี้ท่านอาจจะงงคือขอพูดให้จะชัดอีกนิดหน่อยว่าคือหมายความว่าการที่เราได้จเจริญบริกรรมนิมิตคือนิมิตในบริกรรม ก็ได้แก่หมายถึงว่าผู้ที่จะเริญนสมถะกรรมฐานเพ่งดูวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าบริกรรมนะในกิริยาอย่างนี้เรียกว่าบริกรรมและจัดเป็นบริกรรมนิมิต ส, ส่วนบริกรรมภาวนานั้นแปลว่าจะเริญในภาวนาในบริกรรมคือหมายถึงว่าได้แก่กิริยาที่บริกรรมในขณ ะ, จะเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่งวัตถุดังกล่าวในบริกรรมนิมิตก็ดีก็จัดเป็นบริกรรมภาวนาและบริกรรมนิมิตได้เฉพาะในกรรมฐานชนิดที่มีรูปที่จะเพ่งดูด้วยตาเดินึกด้วยอารมณ์เท่านั้นส่วนบริกรรมภาวนานั้นได้ในกรรมฐานทั้งตัวนะได้ในกรรมฐานทั้งตัวนี่อันนี้บางทีท่านอาจจัง w o ก็ค่อยๆพิจารณาไปแล้วก็ถ้ามีคาถามอีกว่า ในมิตกับภาวนาต่างกันอย่างไรนนี่อันนี้มันก็เป็นคําถามง่ายๆนะเป็นคําถามง่ายๆว่ า, าภาวนาเช่ไนไรจึงเรียกว่าอั ป, ปนาภาวนาเป็นแต่ลําพังนึกจะถึงอั ป, ปนาอ่าอจะถึงอั ป, ปนาภาวนาได้หรือไม่อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าต่างกันคือนิมิตก็หมายถึงว่าหมายเอาวัตถุสําหรับเพ่งเพื่อเป็นอุบายในการที่จะทําจิตใจให้สงบนะจะทําจิตใจให้สงบ ส่วนภาวนานั้นหมายเอาอาการที่เพ่งหรือกิริยาที่บริกรรมนิมิตนั้นแล้วน้อมใจไปในนิมิตนั้นๆภาวนาในขณะที่ปฏิภาคนิมิตคือหมายถึงว่าสามารถที่จะขยายส่วนให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ปรากฏในการเจริญกรรมาฐานด้วยการเพ่งดูวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็จัดเป็นอปปนาภาวนาเป็นแต่ลําพังนึก อย่างนี้ไม่จัดเป็นอั ป, ปนาภาวนาและไม่ถึงอั ป, ปนาภาวนาด้วยฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าการที่เราได้เจริญภาวนาก็ดีหรือว่ า, าเราไดา้เจริญในเรื่องอมีมิตรก็ดี อันนี้ทั้งสองอย่างนี้เป็นอุบายที่จะทำจิตใจของเราให้สงบทางนั้นนะทาให้สงบทางนั้นฉะนั้นคนเราถ้าหากว่าได้มีจิตใจสงบแล้วจะทำอะไรมันก็สาเร็จทุกอย่างจิตของเราถ้าตั้งมั่นจิตของเราถ้าสงบจิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนกับน้าถ้าหากว่าน้ำมันขุ่นมัวเรามองอะไรไปมันก็ไม่เห็นเอาอะไรใส่ลงไปเราก็มองไม่เห็น แต่ถ้าน้านั้นใสเอาอะไรใส่ไปมันก็มองเห็นจิตใจของคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าจิตใจมันขุ่นงัวเราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ถ้าจิตใจมันผ่องใสนะจิตใจมันผ่องใสแน่นอนที่สุดเราก็มองเห็นเราก็มองเห็นวัตถุที่ใส่ลงไปได้เอาอะไรใส่ไปเราจำได้เรารู้จิตใจคนเราก็เหมือนกันอ่า ใจิตใจคนเราก็เหมือนกันถ้าใจคนงัวแล้วเราก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ถ้าจิตใจผองใสแล้วเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอันนี้มีบทบาลีรับรองไว้ว่าสมาธิพิฆเวภาเวทสมาหโตยถาปูตังประชานาติว่าพิสุทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดหรือท่านสาวุชนทั้งหลายจงพากันทําสมาธิเถิด เมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงคือรู้ไม่ผิดรู้ไม่พลาดแต่ถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่สงบแล้วก็ยังรู้ไม่ถูกรู้ไม่ควรยังไม่รู้ทุกยังไม่รู้เหตุให้เกิดทุกยังไม่รู้ความดับทุกและไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกได้ฉะนั้นให้เราทุกคนนั้นสนใจเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตฝึกใจ เราอยู่ที่บ้านก็นั่งทำสมาธิสักานาทีสิบนาทีก็เป็นบุญกุศลแล้วก่อนนอนก็ทำจิตใจให้เป็นสมาธิเตือนนอนก็ทำจิตใจให้เป็นสมาธิชั่วครู่ชั่วยาม ก, ก็เป็นมงคลกับตัวเราแล้วดีกว่าไม่ทำเลยถ้าหากว่าเราทาอย่างนี้ทำบ่อยๆเข้าจะทำให้พลังจิตของเรานั้นเข้มแข็งควรแก่การงานทุกสิ่งทุกอย่าง เรียนหนังสือก็เก่งดูหนังสือก็จําได้จิตใจก็เบิกบานยิ่งไปกว่านั้นก็จะทําทให้สุขภาพจิตดีไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคหัวใจหน้าตาก็ผ่องใสไม่เป็นคนแก่เร็วและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่มีจิตใจมั่นคงนี้นี่แหละจะเป็นบาดฐาน ทำให้อาสวกิเลสต่างๆนั้นเบาบางลงไปผลจนถึงที่สุดก็อาจจะตัดกิเลสตัณหาได้ได้มรรคได้ผลได้นิพพานได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนสนใจการทำสมาธิถ้าหากว่าคนเราทุกคนมีจิตใจเป็นสมาธิโลกนี้ก็เหมือนกับเป็นสวนดอกไม้ร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัย จะไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการรังแกกันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันแต่ที่โลกนี้ต้องเหือดร้หดวุ่นวายเพราะคนจิตใจไม่เป็นสมาธิอันเกิดจากเหตุหลายๆอย่าง เ, าเข้ามาเป็นปัจจัยอำนวยให้ทุกคนต้องอทําความชั่วต่างๆนานาดังที่ปรากฏจำหน้าหนันงสือพิมพ์หรือทางสถานีวิทยุ มีการเบียดเบียนกันมีการขัดกันฉกชิงมิ่งราวกันเอารัดเอาเปรียกกันอิจฉารสียกันปยาบาทกันมันจึงเกิดเดือดร้อนไปหมดสังคมก็เลยปั่นป่วนประเทศชาติก็เลยสับสนอลละมานฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงภาการทำใิมิตรคือหรือบริกรรมก็ดีหรือเจริญภาวนาก็ดีก็จะเป็นประโยชน์แก่เราทุกคน